บุกทูเก้าสิบเจ็ดเดวิเดสมิเซติงย์คำสรรทานสี่ไซคลิเชติเข่าหลับทั้งที่โทรทัศน์เปิดอยู่วิงช์ไอซมิงก์ เขาด gan televizors b i j ย i e s l ē ็ t, t ē s ika, k a ขายังอยู่ทั้งที่ดึกแล้ววิ่งสปอลิกก์เขาดึงเบียเยวเวลส์เขาไม่มาทั้งที่เรานัดกันแล้ววิ่งเนื้อทนาซ์เขาดึง r มส ā บียม t ัวรุโทรั์ยังเปิดอยู่ ถึงอย่างนั้นเขาก็หลับเทเลว i ซอร์สเบียเอสเล็กส์เนสเกตั e เตี๋ยวสตูว์วิ่งชัยสมิกะดึกแล้วถึงอย่างนั้นเขาก็ยังอยู่เ i ียเยวเวลส์เนสเกตัวเตี๋ยวอุสตัวเรานัดกันแล้วถึงอย่างนั้นเขาก็ไม่มา มื่อสบียงนูรุนอายุสิเนสก็ท e s, s u z to, ว i วิ neatnāca. ตนทั้งทังที่เขาไม่มีใบขับขี่เขาก็ขับรถเ a า n ระิวิญยำนับอัตวัดดีไตอ a ปล i ยัซี a ัสวิ่งส์เบราด์เออรถึงแม้ถนนลื่นเขาก็ขับรถเร็วเขาตระ i อีลาอิรสลิดา เขาขี่จักรยานทั้งๆที่เขาเมาเขาไม่มีใบขับขี่แล้วยังขับรถทั้งๆที่ถนนลื่น เขาก็ยังขับรถเร็วอิลอิรสลิดนะเนสกัตุติอสตวิงชบราอุอารรีเขาเมาแต่เขาก็ยังขี่จักรยานวิงช์อิรพีดเซริสเนสกัตุติอสตวิงชบราออาร์ดิริเตนีเธอหางานไม่ได้ถึงแม้ว่าเธอจะจบมหาวิทยาลัย Viņa n e v a r a t ต a s t darba vietu, kaut a อ ī ir studējusi. เยเ <t> ธ <od> อไม่ไปหาหมอถึงแม้ว่าเธอจะมีอาการเจ็บปวดก็ตาม vi ญญาณใน t ยต์เพียอาร์สต์เกาอัตเกนวิญญาอซเธอ <od> ซื้อรถถึงแม้ว่าเธอจะไม่มีเงินก็ตาม v i ญญาณเป a ร์ก์มอชชีโอัตอี a ิญน เธอจบมาหาวิทยาลัยแล้วแต่เธอก็หางานไม่ได้ Viņa s t u d เ j a Neskatoties uz to, viņa nevar atras ัสดาร์บาเ ว, เ ธ, ว, วเธอมีอาการเจ็บปวดแต่เธอก็ไม่ไปหาหมอ Viņai ir sāpes. Neskatoties uz to, viņa n e าเ น, เ, นเนียตเปียอเธอไม่มีเงินแต่เธอก็ยังซื้อรถ v i ญ a า n a ำห a ้าอ s ส์เนสกัตตุอติย์เสียสตูว์วิญญ